ตอนที่60สิบึงหวงเมื่อกอบกู้สถานการณ์กลับมาได้แล้วหลินเซินก็ไม่ล้อเล่นอีกต่อไปเขาเข้าสู่ประเด็นหลักทันทีสถานการณ์ในวันนี้ข้าขอรบกวนให้พี่ภรรยาท่านใดนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงสายตาคมกริบดุดใบมีดที่ทิมแทงมาจากทางเยว์วอลเขาจึงจำต้องเปลี่ยนคำพูดอย่างรู้กราเทศะขอให้แม่ทับน้อยช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยได้หรือไม่เยวเวหวัวพยักหน้าแล้วเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เพิงโจกในวันนี้อย่างละเอียด พี่สะพายเองก็ไปสืบข่าวมาเช่นกันผู้ประสบภัยที่เกิดเรื่องถูกส่งตัวไปยังโรงหมอแล้วและได้รับการยืนยันจากหมอหลวงว่าเกิดจากการบริโภคข้าวขึ้นราจนเป็นพิษจริงๆผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอหลายคนมีอาการค่อนข้างหนักตอนนี้ได้รับการรักษาจากหมอหลวงของสํานักหมอหลวงโดยเฉพาะแล้วค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดจวนกัวกคงจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวพี่สะพายครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวด้วยความกังวล เรื่องนี้แพระ่สะัพัดไปทั่วแล้วหากไม่ตรวจสอบให้กระจ่างเกรงว่าจะมีอาจปิดปากหอยปากปูของผู้คนได้ลินเซินขมวดคิ้วข่าวแพร่ไปเร็วขนาดนั้นเชียวหรือเยวเองก็สังเกตเห็นจุดสําคัญเช่นเดียวกับเขาไม่ใช่แค่ข่าวแพร่ไปเร็วแต่ใต้เท้าเหอแห่งจริงเจ้าอิ่นก็มาถึงเร็วเกินไปเช่นกันลินเซินพยักหน้าเห็นด้วยข้ากับเยเยอยู่ที่ร้านขนมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเพิงโจกแต่จวนจริงเจ้าอินกลับอยู่คนละทิศ ท, ทางกันเยโวกล่าวต่อ แต่ใต้เท้าเห่กลับมาถึงพร้อมกับพวกเราสองคนได้นั่นแสดงว่าเขาได้รับข่าวล่วงหน้าก่อนพวกเราเสียอีหลินเซินมีคนวางแผนทุกอย่างไว้ล่วงหน้าและสมรู้ร่วมคิดกับใต้เท้าเหอเย่วาจุดประสงค์ก็เพื่อใส่ร้ายว่าพวกเรายักยอกสเสบียงกลางจะได้จับกุ่มพวกเราต่อหน้าทานกํานันเมื่อเห็นทั้งสองคนรับส่งคําพูดกันอย่างเข้าขาและรู้ใจกันเป็นอย่างดีเย่ yeah, วาและภรรยาก็ได้แต่ลอบมองหน้ากันไม่นานักทั้งสองคนก็ได้ข้อสรุปสําคัญ การกระทำเช่นนี้ดูเหมือนจะเป็นการแก้แค้นส่วนตัวมิใช่การชิงดีชิงเด่นในราชสำนักจะเป็นใครกันที่เกลียดข้าได้ถึงเพียงนี้เยววช้อนแพยขนตางนอนยาวขึ้นสบประสานกับดวงตาของหลิงเซินในชั่วขณะที่สบตากันเยเว้าวก็มีความสงสัยในใจแล้วและนางรู้ว่าหลิงเซินเองก็นึกออกเช่นกันทว่าวสีหน้าของเขากลับเปลี่ยนไปทันทีและรีบปฏิเสธเสียงแข็งเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้อย่างเด็ดขาด สีหน้าของเยววเย็นชาลงในพริบตานานๆครั้งที่นางจะเริ่มมองเขาในแง่ดีขึ้นมาบ้างแต่เขาก็มักจะมีวิธีทำลายมันจนเย่อยับเสมอเช่นในตอนนี้ชิงจือเป็นเพียงสตรีผู้อ่อนแอจิตใจดีงามนิสัยอ่อนโยนานางจะทำเรื่องที่ชั่วร้ายและอำมหิตเช่นนี้ได้อย่างไรสายตาของเยววราวกับใบมีที่พุ่งเข้าใส่เขาในสายตาของท่านนางเป็นเพียงน้องสาวที่อ่อนแอจนดูแลตัวเองไม่ได้และบอบบางอยู่เสมอสินะ หากดวงตาของซื่อจื้อไม่มีประโยชน์แล้วเหตุใดไม่บริจาคทิ้งไปเสียเล่าเมื่อน้ำเสียงของเยาว์หนักแน่นขึ้นทั้งสองคนที่เมื่อครู่ยังดูเข้าขากันดีพรุนตาเดียวก็กลับมาเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดเยววาและภรรยาตกตะลึงอีกครั้งได้แต่ลอบมองหน้ากันไปมาลินเซิร์นรู้สึกอัดอั้นจนพูดไม่ออกจะพูดดีๆหน่อยได้หรือไม่ยอามัวแต่พูดจาถักถางประชดประชันอยู่เลยชิงจื้อเติบโตมาพร้อมกับค่าๆย่อมรู้ดีว่านางเป็นคนเช่นไรเยววาไม่ยอมแพ้ เนั้นซื่อจือช่วยอธิบายหน่อยเถิดว่าเหตุใดคนของจวนกัวกงพอเข้าใกล้นางทีไรถึงได้มีแต่เรื่องเดือดร้อนไม่หยุดหย่อนหลินเซินเห็นชัดๆัดว่าเป็นเพราะนางต้องโทษบาดเจ็บและทนทุกข์เพราะจวนกัวกงของพวกเจ้าส้ำแล้วซ้ำเล่าจนถึงตอนนี้ใบหน้าของนางยังไม่หายดีเลยคำพูดนี้แทงใจดำของเยว่เข้าอย่างจังซื่อจือหมายความว่าข้ายเย่เว่าคือตัวซวยที่ทำร้ายน้องสาวสุดที่รักของท่านสินะเมื่อรู้ตัวว่าพูดผิดไปแต่จะถอนคำพูดก็ไม่ทันเสียแล้วหลินเซินถึงกับอึดอัด ค่าเยวว่าโกรดจัดจนหันหลังกลับและเอ่ยปากไล่หากซื่อจื่อไม่มีใจจะช่วยล้างบนทินให้พวกเราก็เชิญกลับไปเถิดไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลาที่นี่พี่น้องตระกูลเยเว่ของพวกเราก็ไม่กล้าที่จะรบกวนซื่อจื่อเพราะเรื่องนี้อีกแล้วลินเซินมีสีหน้าลำบากใจเขาส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปอยังเยวาและภรรยาแต่ทั้งคู่กลับแบมือออกพร้อมกันเป็นเชิงว่าช่วยไม่ได้จริงๆ การที่สามารถทําให้เยวโวโกโรธได้ถึงเพียงนี้หลินเซินช่างมีความสามารถเสียจริงหลินเซินไม่มีที่ระบายความอัดอัน้นจึงจําต้องข่มใจเอ่ยขอโทษขอโทษทีค่าไม่ได้หมายความเช่นนั้นเยวโวหันขอบกลับมาจ้องเขาเข็งเคี้ยวเคียวฟันแล้วท่านหมายความเมื่ออย่างไรหลินเซินตอบเสียงแผ่วข้าเพียงแค่รู้สึกว่าด้วยนิสัยที่อ่อนแอของชิงจือนางใช่นางอ่อนแอส่วนข้าอมหิทธนางบริสุทธิ์ส่วนข้ามีความผิด ยังจะตรวจสอบอะไรอีกซื่อจือตัดสินคดีความเสร็จสิ้นแล้วนี่ก็คือค่ายายย่าวยอใจใช้ข้าวขึ้นรามาบันเทาทุกเพื่อยักยอกสเสบียงกลางยินดีกับซื่อจือด้วยนะที่ปิดคดีได้รวดเร็วเพียงนี้ท่านสามารถไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทเพื่อทูลขอความดีความชอบและรับรางวัลได้เลยฝีปากของนางช่างรวดเร็วนักพ่นคำพูดออกมาเป็นชุดจนหลินเซินจุอกอกพูดไม่ออกแม้แต่คาเดียว หลังจากพูดจบเยวาวก็อารมณ์พุ่งพ้าวส่งอกกระเพื่อมไหวตามจังหวะการหายใจที่รุนแรงสุดท้ายหลิงเซินก็ไม่เอ่ยคำใดเขาสะบัดชายเสื้อเดินจากไปด้วยสีหน้าบึง้งตึงเยวาวเองก็โกรธ จ, จนสะบัดแขนเสื้อหันหลังให้เช่นกันส่วนเยาวาและภรรยาที่เหลืออยู่ถึงกับอ้าปากค้างจนคางแทบจะร่วงลงพื้นนี่มันไม่ใช่ว่าเหมือนสามีภรรยาทะเลาะแง่งกันหรอกหรือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทั้งสองคนต่างจ้องตากันไปมาแต่ก็หาข้อสรุปไม่ได้หลินเซินก้าวยาวๆออกมาจากจวนจริงเจ้าอิ่นแต่แล้วฝีเท้าก็ชะงักลงที่หน้าประตูโทษะของเขามาลายหายไปแล้วหรือจะพูดให้ถูกคือเขาไม่เคยโกรธเยว่าเลยเพียงแต่เขาไม่รู้จริงๆว่าควรจะอธิบายอย่างไรในยามที่นางกําลังโกรธจัดเช่นนั้นทุกครั้งที่เป็นเช่นนี้ดูเหมือนเขาจะพูดอะไรก็ผิดไปหมดยิ่งพูดยิ่งผิดในเมื่อยิ่งพูดก็ยิ่งผิดสู้เขาปลีกตัวออกมาก่อนให้ต่างฝ่ายต่างสงบสติอารมณ์เสียหน่อยจะดีกว่า เขาหันกลับไปมองป้ายของจวนจริงเจ้าอิ่มพรางขมวดคิ้วเงียบเงียบนางคงไม่โกรธนานนักหรอกกระมังหากโกรธจนเสียสุขภาพคงไม่ดีแน่โดยเฉพาะในสถานที่อย่างห้องขังนางถูกเลี้ยงดูมาอย่างประครบประง ม, มไม่แน่ว่าอาจจะล้มป่วยขึ้นมาจริงๆไม่ควรทะเลาะกับนางในเวลานี้เลยทางที่ดีต้องรีบช่วยนางออกมาให้เร็วที่สุดลินเซิลหมุนตัวเดินจับไปอย่างรวดเร็ว เยาวนั่ง ฟ, ฟิตฟัดอยู่คนเดียวในมุมห้อ ง, งคังขยี้หญาแห่งประชดกำแพงเพื่อระบายอารมณ์ที่สะพยกระซิบข้างหูเยว์ไม่กี่ประโยคจากนั้นก็ไม่ได้รั้งอยู่ต่อแล้วจากไปเมื่อทุกคนไปกันหมดแล้วเยาวจึงเดินมานั่งขัดสมาธิข้างกายเยาวแล้วใช้ศอกสกิดนางน้องหญิงเจ้ากำลังหึงอยู่นะเยาว์หันขอบมาถลึงตาใส่ราวกับถูกเข็มทิมที่ใหญ่ท่านไปติดนิสัยพูดจาและเธอมาจากเจ้าคนผู้นั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กัน เยว่าแซงทําเป็นไขสือ่อเจ้าคนผู้นั้นเสื้อจื่อนะหรือเขามีอิทธิพลต่อพี่ชายเจ้าขนาดนั้นเชียวเจ้าดูถูกพี่ชายตัวเองเกินไปแล้วพี่ชายเจ้าเป็นคนที่ผ่านโลกมาก่อนข้าไม่ได้พูดจะเล่นนะเยว่าไม่พูดจามไม่สนใจเขาเยว่าไม่โกรธกลับหัวเราะออกมาตอนที่พี่ตามจีบพี่สะพายของเจ้าก็เป็นเหมือนพวกเจ้าสองคนนี่แหละพี่สะพายของเจ้าเป็นคนประเภทดวงตาไม่อาจระคายเคืองด้วยเมทาย ขอเพียงที่เข้าใกล้สตรีนางใดนางหนึ่งนางเป็นต้องหึงหวงทุกทียังดีที่ในกองทัพมีแต่บุรุษแม่ทัพหญิงอย่างนางหาได้ยากยิง่งมิเช่นนั้นนางคงไม่วางใจปล่อยให้พี่ออกไปรบในสนามรบแน่เมื่อครูตอนที่เจ้าโกรธซื้อจื่อท่าทางเหมือนตอนที่นางหึงไม่มีผิดเพี้ยนเยว่ารู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาดนางรีบหันไปจ้องเยาว่าด้วยความตกตะลึงและไม่อยากจะเชื่อนางหึงเป็นไปได้อย่างไร ข้าข้าจะไปหึงเรื่องอะไรอยู่ดีๆทําไมข้าต้องหึงด้วยเยว่าหัวเราะก็ประซื้อจืกเข้าข้างน้องสาวของเขาหนะสิเจ้าถึงได้หึงเยว้านางหึงเสี้ยชิงจืดเนี่ยนะเยว่ารู้สึกเหมือนได้ยินเรื่องเพอ้อฝันนางจ้องหน้าเยว่าแล้วเข้นคําพูดลอดไรฟันออกมาสามคำเป็นไปไม่ได้